ปรากฏเป็นภาพออกมาและสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยก็เกิดขึ้นภาพที่สะท้อนออกมานั้นกลับกลายเป็นเงาของชายแก่ยืนนิ่งจ้องมองมาที่เคนและนนท์เคนตกใจสุดขีดจึงรีบคว้ามือของนอนท์เพื่อที่จะวิ่งหนีออกมาจากสถานที่ตรงนั้นแต่เมื่อเคนได้สัมผัสกับมือของนอน์ก็รู้สึกว่ามือของนอนท์นั้นเย็นเฉียบมาก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 มันไม่ตอบสนองอะไรเลยเหมือนเค้นยิ่งดิ้นมากเท่าไรร่างกายมันก็ยิ่งชาขึ้นเรื่อยๆ เ, เคนเริ่มจะหมดแรงลงทุกทีร่างของชายแก่นั้นก็ยิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเค้นก็ต้องตกใจกครั้งเมื่อมีเสียงปริศนาดังขึ้นเฮ้ย <Hey! S 1> พอสิ้นเสียงนั้นก็ปรากฏชายร่างดาสูงใหญ่